ควรเตร่เวลาแล้วฟังเป็นบอกฟังคือบ่าเข้าใจถอนสติออกฟังเข่าตูฟังเป็นบอกห้เสียเอาทำคำสังสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดถูฟังคูใน ลูกติดลูกหนาะเอาปลาขอดดงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคุณตัตตุลูยุปาคุณภูใไ่ก็พาลูกติูกหนาะเอาปลาขอดดงเขาเป็นเอาตายน้ปาปลานําดงสมัยตะก้อนไข่จับสันงอกงก็คืบบว่ามีายาจีนว่ามียาสาันเอากันนั่งสมาธิตู่ ธัมมาสีตูเหตุตามแนวทางของู้เจ้าเห็นทุกคนใดเห็นทุกคนนั่นเห็นธรรมหาทุกดกานกระปองกับเพื่อนกับซ่านกรมันก็เห็นทุก <c oughs> งห เ, เห็นทุกวันสาเที่ยววันเถือเที่ยว ถ้าไปเที่ยวหายดูหากินก็ไปการกดตันทางเขาเ่อวอบจิตใจมันติทุกนก็ทุกข่ะก็ทุกแล้วพราะบวามัวมันคือเขาอยู่เนอยู่ทานดูปันดู้อมดูวัดเด้ดดูปลาูงเพือเกนดในฟังดูโคตรตนใหม่หนึ่งคืนตอครับดูปัน เป็นสิบสิบปีตัวูุบ้านโอกาสที่นั่งก็เพ ไ, ได้นั่งยากไม่มีฝุ้นหยิบไว้กับขวางหวพระพุทธเจ้าหาถินหาท้ำมากอนให้เท็จให้้ำนำพระพุทธเจ้าเพื่อใหว้มากเกิดมากแก่มากเก็บมาตายกตเถ้ำน้าพระพุทธเจ้าก็เห็น เห็นท้างไปดูสวรรค์เห็นท้างไปดูภายในบ้านเห็นโมเมอกีขึ้นรูปวันประสามีทั้งปีที่กันไลยเนี่ยก็นางสมาสิก็มีแค่นี้ก่ต้องไปตรวจหลายดอกตรวจร้ายเป็นได้ดก็เป็นของพระพุทธเจ้าแต่ของเ้าวโบตัมมี่พระพุทธเจ้าควรเขียนไว้ไปท่องเอาก็สอบไปทั้งีทั้งโต้ทั้งเอกประโยคนนั่นประโยคนี่ก็ว่าไปที่บัดสอนโยม มิจบอกทำท่ามัาตาวายหวังกระทานมันตาวายกระถินมันตตะไวผ้าฝาุทูกุกเทียนไหวกระถิมวายผ้าฟาตรวจน้ำโยมนิสัละทาบุญ ก, กันกันพระทุกลูก ป, ประเทศไทยมีพระจะลูกบวชปรมสอนในโยมทำบุญโยมจดิมีสมาธิมีปัญญา นี่ครับการทำบุญเพรมีสมาธิเพรามีปัญญาตสําคัญคือโตปัญญาดิธรรมะหาเลี้ยงชีพทําการทํางานเลี้ยงก็มีปัญญาสิที่นี่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้เพรมีปัญญาเพราะขก า, ารภาวนาจังปลื้มหลอกจังหลอกผู้อื่นจังต้มผู้อื่นจังตัวผู้อื่นและก็จังไปเสียผู้อื่นเพราะนี่แหละเขาเพมีปัญญาเขาปูดหนังเสเสีย ฝนตัวใต้ก็เวยท่วมเสียง่ายหรือท่วมมักง่ายก็จังย่ำขึ้นย่ำแล้วย่ำอีก็ให้ตัง้งภพตั้งกายภาคปฏิบัติให้ดูใจแทงใจรักษาใจในตัวของห้ามิกายกับมิใจเทียบแวบตาสองนวยตาอนหนึ่งใสของแตทงใจของรักษาใจของเรียงใจ อตลัณ์หนึ่งของแต่งกายของรักษากายของเลี้ยงร่างกายของหินหนังแน่นเขาน้าพันาอาหารเครื่องนุงเครื่องมสียู่อาศัยยารักษาโรคมันเลี้ยงกดกระเท ا ก็แกะกระเก็บกระตายสำคานร่างกายม่เที่ยงตรวจความั้นวัใจแนวเที่ยงก็โถกแก้กเก็บก่ตายเป็นหนังก็เลี้ยงและก็อาหารใจก็ด็ซื้อเด็ซื้อว่าของจิงมัรบมันห่ นั่นหมายงทางศัตรูสวรรค์ทางศัตูปนิพานเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นศัตรูเพราะอนาปานุสติคือล้มหายใจอาออันในซือคือข้าวต้มขนมพอก็าบอกให้ดูในซื้อว่าลมพลาดคิดแลค่าเขาล้มแพงกว่าเงินเลยเห็นบานคนทิ่ตายกับออกซิเจนออกซิเจนก็เพราะมันล้มอยู่ในตัวเขาไม่ออกซิเจนก็คือล้มล้มเขาล้มก็ถึงบ๊อบเง่นนะ ยือไต่ข้างกับพ่อเบิ้งพ่เห็นว่ามันตานอจะเห็นล้นีเห้าผู้ใดมีตาทุกคนเห็นว่าจะรอให้ดูให้ดูให้ดูลมน่ะบ่มันก็่เห็นแล้วพ่อยังเพราะอยากกล้วยอยากสวยงามนั่นแน่ว่าฟังไว้เตมกัมาจากกล้วยตรียก็มาจากสวยงามก้อนแตงหยางก้อนเอาแตงใจว่านั่งบ่เปรมหายใจก็ออกตรีก็มา เดี๋ยวอาญาที่พันร่างนา้าร่างตาล่างนั่นนั่งนี่ล่างแล้วก็อย่างมา่อบอกาไปอีกปุ่นเดี๋ยวนี้นีเน้เนี้ยไม่แน่ว่าเนียเป้าท่านนี้ไปเนว้เป้าให้นุ่มมาท่นไหวเขาให้แก้มาั่นห น, น้าที่นึงพุ่นซีรอยกวานตุ้หลานเขาไปเป้าจุ่มอนหนึ่งบอกมา่ลรับหลวงพ่อไปเป็นตบาทนะเขานิมนต์ไปยีุ่่น่ปนาะนานมาแท้ ไปแล้วไกลเปล้วเดี๋ยวหลงขอหลงปู่ขอหนึ่งนาทีทอขอการน้มันก่อนเอาขอไดก็เอาเท็ดเอาตะกอนบอนว่าะเห็ดหนังเป้านาเขาน่เห็นว่าเป้านาหือเป่ห็ดหนังเพื่อว่ไหนเทากุ้มเมื่อป่หล่ะก็ว่กุ้มแล้วหลงปู่ได้แน่สองสามตวงก็คือก้านั่นเห็นบ่พออยากง่าแน่บ้ใจคน ไปตั้ย่ำอยู่เช่นนี้ยำด้วยเผยงามเป็นมนต์นรกจะให้หูวจักใครบังบนญถ้าก้อนจะดิวจักว่านรกหรือมาบังสวรรค์สวรรค์ไมอกนรกใม่ใจกูเรียกไปบังไปนั่งบังบ่ได้เลไปุกกลับไปบ้านไปนั่งอย่างวะวแล้วันนี้จะผิงเด้อมือหนึ่งหนึ่งนาทีน่ะก่อนหับก่านนอน ก็มีสัจจะบังคับจะความไว้เลยพระพุทธเจ้าคนเด็สตวรู้ก็เพราะสัจจะเรื่องการจัตรูของบระได้ได้ตัตรูของพระพุทธเจ้าผู้ใดบอกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าได้สัตวรู้นะทาที่เราตถาคตะได้สัตวรู้นะ <c oughs> อัตรย์ก็สีฟันฟันมาสีฟันฟันมาเห็ดใส่ใส่มายัางโมอัตชันปานตีข้างทุกขายนี่นะ นว่าแสดงรัตนีลูกของพระพุทธเจ้ากันลูกรัตนีใส่รอบตัวต่อนหนุ้ญชจาดากับคนใส่มาเห็นโอ้ยความอัศจรรย์ดีอกดีใจว่าปฏิบัติพระพุทธเจ้าใ้พระพุทธเจ้าได้ตัสูรูพุญแจาดาแล้วก็พุทธรัตสูแล้ ว, วเขาก็ว่าหยิบหยเอาหย้นถอนญาดโน้มทานศิลบุญ เดนี่คนเาม่ยังเดียวนี้ประเทศไทยมิตรทา่านนี่ศิลมนันศิลนันสะรองรูปเอื้นเหมือเนเื้สมมติเราวัดนี่มีบ้านแต่คนหมู่บ้านมีวัดวัดหนึ่งมีคนจับคนไปวัดศิลมันจะรับถือศินนนล น, นั้นระ บ, บเป็นเสืองวัดว่าเท่าไท้เขาปูดสนใจการปฏิบัติธรรมพอไ้แล้วก็จังที่มีพระบารณาขาดการถือศิลป์เราพระบาก็ยิ่งไกลแล้ว ของไงแต่ว่าเป็นของเห็ุยากเลยไงก็ตั้งเบิงลมหายใจก็ออกในทีอว่าอ๋อเป็นจังเหตุว่าไะไรหนุกู้จำเท่าไรเท่ใไรก็จำแล้วจำอีกว่าจะตื่นรึเมอหนึ่งนั่งหนึ่งนาทีเวลาพระเจ้าประสงทิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ครูบาอาจารย์ครูสมเด็จธรรมะสูงสูงแพร่ไพ่พระุเจ้าก็ทําประสงแพร่ไพ่กันเทาบอกอยู่ในใจถึงเวลาบอกใจก็เขาไปแส่พอแพร่ไพ่ก้นเป็น ใจผู้ยุคก็เมื่อกับตัวกไปใจผู้คนแต่นั่งไปแพร่ไปหายเพราะทิมนั่นหลักใจได้พระจาน้ท้องล่องรับกับืการทําบุญจุดนี้มันบม่ได้ตึอ้อหลวงปู่จ้าเล้วจ้ เ, เะจะน่าพระนจ้าน้ขาดจุดนี้ขาดผู้บอกถ้าเทียบกัไปอีกอะไรเพราะมันก็ดปีปรับโพธต้นย้มดังเดียวผู้แนะผู้น้าผู้น้าท่างผู้บอกบางคน ท, ทิมชุดนี้ เห็นเมื่อตอไปเคยถามที่่าไปแต่แวงหาบุญวัดนั่นวัดนี่เป็นบอกเกบุญบอกเขาบอกไปทำบุญวัดนู้นไปทาบุญวัดนี่เป็นวัดทำบุญจะได้ผู้ดังแต่ของนี่ไปแตเื่อก้าแล้วผู้ใดไปเฮ็ดไหนพระเจ้าพรตง์ก็ไเฮ็ดไหนดิพระพุทธเจ้าก็เฮ็ดไหนด้อต่พระพุทธเจ้าเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไหนแล้วทาของพระเจ้าปัจจตังน่น ผู้ไดเพิ่งเมืใดก็เห็นกับหูตนนั้นแลวิธุพ่งของตนตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนออแฉแขงหาจุดนี้ผมดูดีก็ไปสังเสียงเป็นเสียงตายแลนเส่งหาเทพบุนพุนเ็ดหุ่นพี่เป็นวาไปแล้ไปหาหุ่นไหวกรพักเฮ็ดเสพหุ่นไหวถึงว่เป็นนางเพิ่งล้มหน่ก็ออกพระเจ้าหลงพุทธิม่ีได้ดีมากหนึ่งพระสงกระดิกอด ่ดใจได้เป็นพระโจเล็กแน่นอนขวดไหมไหมหิวเขาหิวเขาหลวง่อหน้างั้นสันบ่หยสันนะหลวงพ่อแผ่สันจะพอกินเพิ่มยากก้วพอปากพิ่มเครียดมันจเป็นหงหล่ะเป็นก้องขอน้อยขาแม่มาจากไหนจากขาแม่มาจากควบยาควบยาของเขาใหญ่เป็นไดว่าก้องเขาหน่อยมีประวัติถึทำแก้สุทธิท่อนไปบ้ง รวมเป็นมากของก็ขนน่อยกับแม่ก cool. ็มาจากความรู้ของก้นติฟเขาใหญ่เป็นเนยมาตัดดิฟเขาหน่อยกินตะก้อนตับลู้จะแต่ว่าดดิบเขาหน่อยผู้แม่เป็นยังยากวันจีเร่ไปให้เป็นหน้าตะก้อนเจ้าพ่อคงจีก็เลือกตะโบร่าไปประเทศประมากพระเจ้าพ่จะเป็นดีหลายลูกหลานไปสามบริษัทจะพุ่งก็เทียงวัดดีใจหลายพระเจ้าพ่กติดกงติ่ตัวมีจัตุรัสใจเงินท่องสะก้อนจังมาซื้อของ ไปทั้งหมดเดีดดด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกไปมากถามแล้วถา ม, ามอีกก็ว่าค้ากันตัวยังได้ไหมอ่านความสือสัตเนี่ยเมื่อเทวดาเนี่ตาคิดประหยัดกันเหตุผลใดก็เจ้าไปหาดึงออกจากง่ายโตไไกันได็เจ้าหน้าง่ายไปเนี่ยไปถอดร่องเท้าถอดถุงเท้าออกไห้ไปเนี่ยเส็จไปามา จะลึกพระไตรปิฎกใสรเ่ามันใส่ไปร้านสมนัยไส่วัดนี่ยัยงเกีีหลายหลายนิน่อยเลี้ยงเป็นแถวโว้เพื่อทีกบไตกรกบกันมันนิดหน่อยเพระเกีีนิน่อยเก็ยรตินิดน่อยเป็นท่า ๆ, ๆแกเขียนหนังสือประวัติของพระพุทธเจ้าต่างๆหนังสือในประไตรปิฎกข้อสินขอ้อธรรมสองด้านไต้ไปคือหลวงปู่ทุเยมันก็เกี่ยวกเน้เพิ่งไปเห็นเลยใตรหนังสือไปล้านประตูเล้ก้อนหินตัว เพื่อได้จไปเร้่องเผาก็ <reference> <l> ื่อจะหนีไปเผาเขาจะนั่งกลุงปูว่าโอ๊ยวันนั้นไปถามมาได้กับเพื่อแพร่แุตํางพระไงสังทัพอทไงที่จุดได้โลกทางโูกเหมือนก็แม่กูบาอาจารย์โลกไงที่จุดหลวงปู่ทวดไงที่จุดได้โลกหลวงปู่มันไงที่จุดได้โลกเพื่อได้สังสะก้นผู้ื่อได้จะสังจะสิ้นความนั่ป ต่างคนมันก็น่าสีเด่นไก้ที่ต่างคนอน่ยว่าอยากรมฟังมัแต่บางคนอาจจะเพื่อคาใจว่าต่างคนคือทังไหนได้ก้อยผู้ผลานพวกเรียกหนังสือที hmm, ่แรกปวของผู้กิดมันก่อสิเอาตะชกัดวัดพระกุงสืซื้อดอกวพวกเล็กๆไปน้อยมากก็พอกับแม่มาจำศีลนะมันไม่ได้ว่ากรุงวได้ขาดได้เจ็บปีแปีเพแต่งจากพรสามารถจำศีลนั่ พ่อในย์แม่นย์ใคม่งจะหาเงินไปพ่อแม่บ้ก็ถกใจใครมุ่งไปรักษาถิ่นได้ตลอดเงี้ยจบป้องรักษาถิ่นแบดนี้ปองก็รักษาถิ่นหาดีเดือนหนึ่งมสี่หมื่ปีนึงมี้สมืสี่สิบแปดมื่นปีหนึ่งไว้ไม่ไหรักษาตัวมื่นได้รักได้คนรักได้มาลาป่า หากเพิ่มปีเท่าไหนก็มารับเอาทีแรกก็มีสองสามอ้หลวงปู่ว่างที่ได้โนอยที่ปีกคนก็มาจากตังกิดไปก็ต้องไปปากต้องประกาศรับทุกกประกาศมาเก้าสิบเก้ า, าหลวงปู่มันถานมมังโม่ว่างละลายฐา น, นสิบคะเห็นบบนี่สิสามคนหลวงปู่มันตราเป่นคอยประเทศชาติชาติ ศาสนาหลงพ่อชอยศาสนาเพราะว่าเห็นพระเจ้าพระรงสอนโยมมิตรสอนในว่าเป็นเตะดิมิตรสอนในท่านนะเห็นว่าสาง น, นั้นสรางนี้มาทาบุญตัวโยมมาทาบุญแตเด็กบุญคือของเบาจักว่าอันเบากระพายไปสวรรค์ในผ่านได้ป่ะของหนักไปได้ป่ะขออย่างงี้คเดียวคือสิไปปฏนนิภานจงหาความเมืออกจากใจ นักกายอยู่ได้นักใจอยู่จากฟังมึงรู้หันมีอเราไปเพื่อใดจังเขาเดินทางสช่ไหมหันมือกระเป๋าก็ะเป๋มีกระเป๋าอันใดยากอ๋อผู้ป่วมีกระเป๋ า, า, า, าปล่องเคงบิดปั๊บไปจ่อยเดี๋ยวก่อนสายทานไปตั้งมาค่อยกระเป๋าก่อนปูนคือเขาบอกมาส่งกับค่อยจยูหันแล้วค่อยจะไปตรวจนั่นตรวจนี่ตรวจนั่นตรวจนี่พิส แ, แ น, นบ่บันเห็นบ่มันจะไป สวรรค์ไปไปในฟ้านกันตัวเจ้ากรรมในเว้นเขาค่อยตรวจตะวันตัวเจ้าเคยเห็นบุญบ่เจ้าเคยเห็นบุญบ่เจ้าเคยเห็นสวรรค์บ่ออกมามันก็ล่าตรวจชอบใจมันก็ล่าใจมีอย่างแน่รักโกรธโกรธหลงระคักตัณหาอยัางปลอดภัไม่าด้ว่าร้ายแตว่าคำเดียวกัน่าปมมีแล้วนั่นใจก็น้อยปมมีอย่างเออปมมีไปละเบาตั้งทั้งไปในฟพานตั้งไปสวรรค์เจ้าก้มก้ทุ่มมือ ขันบอกันเขาถาม ว, าาาไไว่าเคยบังบ้าสร้างไปแต่วันยิ่านตอบว่าใดแถวมาจากเมืองใดจากเมืองนรกนั่นเมืองโลกนี่คือนรกคือหมูสัตว์สิเนี่ยโลกระคือคน ม, มืดครอบงําสัตว์โลกคนเราอยู่ในความมืดบอเต้เอาเพิ่งก็ขี่รถคุณวันคุณวันยกขึ่นเขาหาหยังเขาอยากได้หยังได้ไหมเจ้ว เมื่อวมมื่แปลงจิต้อมจิตตัวหรอกเจ้าหอมแล้วไปหลอกผู้อื่นเห็นว่าลูกหลานผมขนเหลบพันหนังเปลี่ยนแปลงไปหมดตาดีๆกับแต่งขนตาไม่คือวิอ ว, ว, วีตาเพแหล่ตีเห็นแหลไปมากกับสั ญ, ญกรรมพ็ดีด้านเสริมสวยไม่ดีทำให้งานหนังนบางสังอักเสบเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคนี่ว่าไปก่อนมันนึงเห็นลูกหลานวย บอกเขี่ยยซึ <c ười> <ain> ่งได้ช <Öz ell iman> ิเป็นแสนนา่งทไมไม่ถงปูคนไม่เาะ็ราคาเป็นมื่อนโอยเมื่อไง้ลยเป็นแสนถงปูคนเขาบอกไปตัวทุกเดือนบ่ล่ะไปทุกเดือนและเดือนนึงจักบาทเดือนนึงเป็นพันนักก็ามพันคนเห็นบอหมอ็กาหาวิธีเอาตัวมังเจ็บเขี่มาหาไปได้ เมื่อท่านพวกพระเจ้ามีปัญญา ห, า, ห า, าหลอกพะเจ้าหาเอาไอพวกโมงเอาเต้าตุนหนาหลอก ก, อกับาองหาหลอกูเพื่อได้ๆก็หลอกใจเจ้าฟองอกนั่นเห็นบอกวาม้หลอกล้วงปีนควอนมันทำให้จิตใจมัวเมาหลุ่มหลงองก็มีสมาธิปัญญาหน่ว้วนหลอกลู้ในกองสังขารผิดถูกดีชั่วบาปบุญคือปัญญาปัญญ า, ญญามาจากใสสมาธิ ส, ธสธิสมาธิปัญญาถ้านสิพรบปัญญาหนาพวกมี ศีลตะก้อนจะมีป <Kelvin and grace> ัญญาบ้งมีศีลวก็มีปัญญาได้กับปัญญาคือบุญทางศีลบุญท่านวอาฟังง่ายไปกับทานศีลบุญนะเพราะฉะนั้นเอาเล็กน้อยจงพเท่าเอาตามคาโบราณกระดมไปควันกระดไปดังกันหน้านั่งปรันย่ำพระาเจเห็นรูปขึอนมาก่เอารูกเล็กน้อยใส่น้าบุนเพราะว่าเาไปใสกันได้อยู่เหตุ เป็นเปอร์ลูกของปู่วอกวาวลูกแค่หนเรียนเต็คือเขาไปทานรวมกันพนี้ว่็ว่าทนไปบอกตัวไกลเนี่บอกกปาไร่ตืดลูกหลานลูกไปประเทศอ่าเรียนเกประเทศกินโอ้ยแม่ก็บอมีเงินสะจมบางไหบมีหลวงปู่จงหก็ได้บอกเขาแม่เขารับสารสินแปได้ก ถาเราท้าทูแปได้หลวงปู่ทรงใหม่ป่าถึงจะตีป็นโทษถึงได้เองแต่ผมมีเลี้ยนต่อหลวงปู่ทรงใหม่ขออย่างเดียวคือนะถึงว่าลอยพวกคนหลวงปู่คิดว่าหลังผลประโยชน์เขาไปล่าเขาเลี้ยนจบแล้วแต่เป็นไงเป็นตคุณบาอาจารย์แดวอยากแห่เอาแนวท่ามของกบฏเจ้าแนะนั่งสังสอนในคำว่าคำบุญ วิ่มาขนของไปถวายพระในพระเกิดที่เลสเห็นว่าตอนน้่าพ่อจนะอาหารฉันวังกล้อยองค์พันธ์องค์กุบเหมือดเดียวเดี๋ยวก็เวลาไปสอนพระกับมิตรเวลาไปสอนน้องก็ถวายทานของทานเด็ว่าเปลี่ยนว่าทำเป็นบุญไปทงบุญรบอว่าได้แบบานานเห็นบอ เพราะว่าแนวไหนเปปัจจัยทั้งทีจะบอลเปตนสทาบนาสนะต้องสมควรให้เหตุยูแยวให้พ่อตีมุจักเหตุผลในการถูกว้นหน่อยว้นหลายการงานแนวไหแนวไห น, นถูวรน ส, ส่งเสริมพระเจ้าพระสง์ถูกต้องหรือถูกใจเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์ถือพระหอกลวงเห็นไ่มตนเรื่องกรเล่าน้านจับเลยให้มาสร้างนายชมของบประมาณมาสร้างสถาบันการศึกษานายชมขอสร้างก่งขอน สิงของหน mm ัง hmm. ส right ือตำลับตำรามาสงเสริมพระเนรชงม้าหอยทะเลชงม้าหอยทะเลได้หลายเข้าไปเกิดข้อมลโปรหลายก็เลออกไปเหตุนีอื่นถามหาทะเลาะกันไะเลี่ยนผมก็จบกันเพียร์หลานไปถูไปเลี่ยนไม่ตนหนตาติมออกไปมากนั่งตะควาพระผู้ใดขอมากนั่งตะควาผูขอมากอีกตัว บริงินขานเงินทอนวัดเงินทอนวัดได้ไปแล้วเลยเงินทอนขึ้นมาพุ๊บ ข, ขอขึ้นมาแผลก็หันไปหมดอดีล้วนั่นความหลักตรงนี้ในโลกไ่ดีแล้วลูกหลานไปทามากข า, ข า, าอยอยุงเงินบริทุธทธยุดที่ทำว่าเป็นหนี้เป็นสิน น, นั่นเขา บ, บ่กเป็นหนี้เป็นสินมาเอาของเขาหน่อยายก็ได้เพราะความได้พราะความเห็นกลมบริสุทธิททธททธททธ์ุมเฮ้าือสัตว์ตื้นตือข้าเจ้าข้าเจ้าก็ไว้นอเื่อใจได้ นั่นแหะเพราะฉะนั้นเด่นกัหน้าหลวงปู่ก็คือจุดนี่ผู้ใดแต่ตัดข้ามก็เหนอมากนะรำชีได้ประโยชน์ว่าอนพระพุทธศาสนารักษาพุทธศาสนาหลวงปู่บรรฑาตรักษาประเทศชาติธาตศาสนาพระมหาการัตร์พระมหาการศัตรูหลวงปู่ก็สมควรอยู่งานวันใหญ่ใใหญ่ต้องขึ้หลวงปู่กัรวมรวมบอกคนน่นมชงไปเขาโมนิธิดังในหลวงองค์เป็นสวรรคตะกอ็ชงให้คือเก่า เอาม้ในทีราชประทานนุเคราะห์นะกมหาอาดอกไม้ตั่สุ ด, ส ด, ดเช่นประดคือชาวบ้านนี่เอาเนียเป็นประโยชน์ทำทา่าอกันเอาเนียเป็นประโยชน์ก็จะท่านเพาะไรปูไรก้นน้ำกนก็บทงมาาหายแน่แล้วเออจากหวปี้ก็บทงม้าช่วยหลวงปู่โครงการสมเคราะห์พุทธมามกะอาสา อินทราหรืออินทรารักษาใจเรียนภาษาคาถาให้เป็นรักษาใจสอนลูกทิพย์ลูกหาต่อไปแล้วก็เดี๋ยวนี้พ่อแม่เขาจะก็ดีใจมันเขาเห็นได้ทําได้ผลประโยชน์หลายเขาจึงว่าติดวัดติดยาทีา่ว่เป็นฉีดต้มฉีดหัวคอว่าไปหลอกลวงคอและตนเองและยาสีฟัน อ, อีกสบายอยู่ก้อนศุกร์เอาฟังรู้สินแผลไว้เปนสินหาเด้ แต่บางคนติห่าก็ได้นั่นเด็กๆไล่ทงายก็พูดเถ่าบอกว่ามือนี่ไถือเตแปดห้ามพูยกันเขาก็ว่าว่าพูดเถ่ามือนีวันพระจะวากันเนอก็จะผนหนีเราฉุมหัวกันบอกกันแล้วพูยกันน่ะจากเรื่องไหนก็ว่าว่าเสาะหาบนโขกได้ฟังบอกคำของวเจ้าเปิดภูไมว่าวาอย่างไรว่าไปต่อใดเรื่องโลกของในจะน้บอกของนอกจะน้าเขา มาจากว่าของในขึ้นหงษของนอกขึ้หงษงของพวักจะน้าออกไปเห็นว่าแบบเกษตร่าระเทษล่าแข่งกัเกไทยแซงกับเไทยไเหมืเลยเกษตรข้าวกับพวกนุผถุก็เลยต่บ่าเกษตไทยเหียงก็ไปเหียนก็ไปอยู่นั้นจอทีวีเองครับประกาศทีวีเองครับมันก็เสียบนีแขนอังเกงบนี่ขาโอ้เป็นตานายไป กับเราการปุ่มู้งูเห็ทั้งใดอัธกดอัธยกรรมมาหลายเห็นั้งใดมีอัธอาศักดิ์อัธยกรรมเพื่อหลายแต่หลายก็พวกเจ้าเห็ดล่อเขานั่นเสือหิวเอาเนื้อไปล่อมันก็เลื้อกองไสตัวผจังหวะกงเล็กเสือจุใจคือภาษาธรรมะลูกลาค่ะนั่นอยู่ธรรมดาเป็นทังใดแต่พวเจ้าเอา สอนพระผู้ทรงให้คุณลับสตีดิคุณสติเขาปฏิบัติดีนุ่งผ้าสูงอยู่ครึ่งแข้งให้เกินขึ้นมาด้พระสงฆ์ใช้ถุงนุ่งครึ่งแข้งให้เกินเข้าขึ้นมาด้ปัจจุ ม, มือหอดไสคนไทยฮะทุทีดใส่านี่ผูกมีกิเลตราคะกินเหล้ากไปยาบ้าก็ไปอีกเห็น <c ười> ผมบ่ากันา่าจนหูตาลายเห็นบ่หรอยงกันซาม่ออนุญาตในเฮติเนี่ยที่ไปใส่แนวปุ๋มหาความถูกใส่ในเป้าเฮติเป้าทําเนอหลักพุทธศาสนากอบศาสนาของพูดเจ้าหาพันปีนี่ควันไปแล้วเปน็นทังทีแล้วงามไม่ได้โดยเฉพาะการสั่งสอนที่เราเห็นบ่เพราะฉะนั้อวงปู่เขาจะคิดได้ทำไมเด้อไปจำเขาเรื่องพุทธศาสนาสายตรงเที่ยวทางเวิรงเหงหลมีศิกรรมเมื่ตะปูตะว่าพิศิษฐาคำา เห็นว่าพี่ๆกรรทั้งพาฒนาเที่ยวทั้งเบื่งนั่นเพื่อกว่าก็ต้องให้ทุกเทียนต้องให้ทุกเทียนจุดเทียนก็จะได้สวดพระสันตงธรรมสรางควพิธมสร้างกันเทศจุดเทียนสรางธรรมิวัดของกุตอนหลวงพ่อนองธรรมเช่พผู้ว่าไว้ก็ต้องจุดก็แล้วก่องจุดเทียนสรงธรรมก็ต้องหลวงปู่ก็ต้องบวดก็ได้หอกจุดเทียนปัหาส้ธรรมของหลวง กฤตเต็จต่อเลยบอกงาตาอาตมามหาสุเทียนทอมคตต์มาตเตยไม่หันไม่หนีไปมากไม่โบสเห็นว่าแบบไม่โบสถเสียหายซะดลยไม่ตลาดไม่บ้านไม่ต้องไม่ห้องพระหินพระนั่นเรื่อง้านบ้านท่องอุดหาตรวจต่อตรวจสอนใหม่หลายบ้านเขาแง่แบบดี้บอกว่าจะไปจุดยุติยานอันตรายยุดที่หัวก็เป็นโรคปวดบวมก็หายใจเข้าใจออก รุดใจแถงเพียนตองใจแถมปัญญาสองใจอยากให้เข้าใจช่วงนี้นี่แหะเรี ว, ว่าไปวัดทําบุญกับหลวงปู่ปบ๊วยทาเป็นบาปหลวงปู่เป็นบาปโยมก็ตัวกันเป็นบาปอีกก็คือว่าไปทําบุญคอบบอก็บ๊วยนั่นเนี่ยบ๊วยเอาของไปถวายพระปฏิบัติทำบุญนั่นของท่านของท่านสําหรับกายบุญสําหรับใจในตัวของเมีก า, กายก็มีใจ กายของพุน่นอคุณแม่ใหญ่โตของเฮาหลงบู่เบิงกสนใจใตายว่าเป็นทั้งขาหนังกายรักษาตะไรหาหมอตะไรกะเท่ากะแกงเก็บกะตายผุ้ญาตญาณไปก่อนแล้วผมเสร็จหนึ่งบ่เป็นน้ำคือแต้งดีเถอะขาดการท่ำปุ่นก็มีปัญญาหนักยิ่งว้ย้มไปนั่งไปพิจนาอยู่เด็โอ้แม่คือหลวง่เราวาตัวเอดีแม่ต้องไปเขียนตัวว่า ทำด้วยก็สวยงามเป็นเหมือนนรกน่นเห็นไหมต้องคิดละเอีย ด, ดคนิดคือว่าคิดแบบโลกนิ้โลกอีญะนิด้โลกพรรุทธละนิไปคิดอ่ะน่นเพราะฉะนั้นแต่กว่า ง, ง่ายง่ายทำที่เราสัตว์โคตรจะสรูปยากที่สามันชนคนธรรมดาจะทําได้จะดูได้จะรู้ได้เห็นบห คนธรรมดาก็ร <necessary. S 2> ู้ได้แต่ต้องไปกั้นกองต้องจิบใจเหนื่อจากคนธรรมดามนุษย์พนหน่ะกันทั่งโลกว่าปัญญาตีโทเอกุนก็ใกล้ก็การัเขียนซื้อมาได้เดินหน้าสุนอรภูตนใน่วงโบ้าณเสียสละมาร่วมกันทำตั้งก็ดีทำบุญก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลก็เข้าได้ที่ตั้งเดวนี้จมาร่วมกันชมภูองภูกระตาในช่วงโบราณ อดีตไปนอนตุ <asan> eh nude, in, ้มมีแต่คนตุ้มคนก็เริ่มสุ้สตายตุ้ไกลหายจากตุ้โสลโผล่ไพ่งานงามทิงได้การเงิน้งได้โดยเฉพาโชคดีดีใหม่เงิจทิ้งใดปศาสนาทิ้งใด้กัโชคดีดีใหม่แล้จงสำเร็จจงสำเร็จสงกลังกล้องราสนาจงถูกติงทุกประการเถิด ้องแทบจก็้องไปมุ่งกด้าดิไปลงป่วยแทบจะเส็มอันนี้คือนี่ยช่วงคือดีแท้เสียมสาธุมุวนแท้แจะไงเหตุจะไงทำแต่ว่าแนวถูกต้องว้มันตกมือสวดๆนั่นเป็นเรื่องทั้งโลกเลยตกมือทําของพระเจ้าให้สาธุดอนามโมความการ